ไม่เฉพาะสังคมแม้ในสังฆพระก็ถือหลักแบ่งปันลาบที่ว่ามา น, นั้นพูดในแง่ขรุขระที่นี้มาดูในแง่ของพระภิกษุในสังฆะหรือในสังคมของพระนี้อย่านึกว่าชีวิตของพระจะอยู่แต่กับเรื่องที่เรียกกันว่าการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่สมถะวิปัสสนา มีข้อสังเกตแทรกเข้ามาว่าคำว่าปฏิบัติธรรมนี้คนไทยใช้กันไปใช้กันมาเวลานี้เหลือความหมายทั้งแคบทั้งคลุมเครือจนบางทีต้องเลี่ยงไม่ใช้เสเลยหรือต้องใช้อย่างระมัดระวังที่จริงการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าใช้ในความหมายที่ถูกต้องก็พูดได้ว่าเรื่องของพระก็คือการปฏิบัติธรรมและไม่ว่าใครถ้าจะเป็นคนให้ถูกต้อง ก็ต้องปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ทั้งนั้นชีวิตของพระนั้นจะให้ดีก็ดูที่วินัยก่อนจึงจะเห็นชัดว่าชีวิตของพระนั้นเป็นชีวิตในสังฆะเราจะต่างกับชาวบ้านอย่างไรก็ดูที่นี่ที่นี้ชีวิตของพระที่อยู่ร่วมในสังฆะนั้นเมื่อปฏิบัติตามพระวินยัยก็มีสารโยงไปรับกันกับหลักธรรม เพราะที่แท้แล้วแก่นสารของวินัยก็อยู่ที่ธรรมะนั่นเองแต่ต้องจับให้ถูกที่ไม่ต้องพูดยืดยาวชีวิตพระอยู่ในสังฆะที่อยู่ได้ด้วยสามัคคีโดยมีวินัยเป็นเครื่องสร้างและดำรงสามัคคีนั้นพอถึงสามัคคีนี่ก็คือมาถึงธรรมคือธรรมะทันทีแล้วตรงนี้ เรามาดูหลักธรรมที่เป็นฐานของสามาธนั้นให้ชัดให้ดีตรงนี้แหละก็มีหลักธรรมที่เน้นไว้ในประสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎกก็ย้ำไวาอีกได้แก่หลักธรรมชุดที่เรียกว่าสารณียธรรมหกประการเป็นหลักธรรมทางสังคมสำหรับดำรงสังฆโดยตรงธรรมะชุดนี้เป็นหลักในขั้นปฏิบัต เจนนำเอาเมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมในจิตใจมาแสดงออกในขั้นปฏิบัติการเป็นหลักธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันซึ่งเน้นมากสำหรับชีวิตของพระในสังฆะมีอะไรบ้างก็มาทบทวนสักนิดหนึ่งสารณิยธรรมหข้อคือ 1. เมตตากายกรรมทำต่อ ก, กันหรือแสดงออกต่อ ก, กันทางกายด้วยเมตตา คือทำการต่างๆในการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือร่วมมือกัน 2. เมตตาวจกรรมพูดต่อกันหรือแสดงออกต่อกันทางวาจาด้วยเมตตาคือพูดจาด้วยใจรักด้วยความปรารถนาดีเช่นใช้คำสุภาพอ่อนโยนปรึกษาแนะนำให้ความรู้สั่งสอนเป็นต้น 3. เมตตามโนกรรมคิดต่อกันหรือใจนึกถึงกันด้วยเมตตาคือมีใจหวังดีปรารถนาดีต่อกันยิ้มยามแจ่มใสสสาธารณโภคีหรือสาธารณะโภคิตาได้มาแบ่งกันกินใช้หมายความว่า มีลาบได้ของใช้ของฉันมาก็เพื่อแผ่แบ่งปันให้ได้ใช้ได้ฉันได้บริโภคทั่วถึงกันสาธารณภพคีแปลว่าเสวยหรือบริโภคให้เป็นของสาธารณะคือให้เป็นของร่วมกันทั่วถึงกัน 5. าศีลสามมัญญาตา มีศินเสมอกันเสมอกันต่อหน้าวินัยหรือต่อหน้ากฎหมายมีการปฏิบัติรักษาวินัยประพฤติให้เสมอกันไม่ทำตัวให้เป็นที่น่ารังเกียจแก่หมู่คณะ 6. ทิฏฐิสามัญญตามีทิฏฐิมีแนวคิดมีหลักการที่ยึดถือร่วมกันเสมอกัน ทีนี้มาดูในแง่ที่ทิ้งค้างไว้คือในเรื่องของทานดูว่าชีวิตของพระเองมีการปฏิบัติในด้านการให้ปันอย่างไรไหมในเมื่อพระไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพไม่ได้สแสวงหาและสะสมวัตถุสิ่งของไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินไม่เป็นเจ้าของวัตถุที่จะไปแจกแก่ใครพระจะให้ปันอย่างไรในที่นี้ไม่พูดถึงธรรมทานคือการให้ธรรมะ ที่เป็นหลักของพระสำหรับเข้าคู่กับของฝ่ายโยมที่มีการให้วัตถุทานหรืออามิสทานสำหรับพระทางด้านวัตถุการให้ทานก็มาออกในหลักการแบ่งปันลาบเมื่อว่าตามหลักสาณนยธรรมนี้ก็คือข้อ 4, สี่สารณะโพคีที่นำมาให้ดูข้างต้นแล้วที่ว่า ได้ของใช้ของฉันมาก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้ได้ใช้ได้บริโภคทั่วถึงกันเรื่องวัตถุนี้ถ้าไม่ดูทางด้านวินัยก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากแค่ไหนพูดก ว, กว้างก็คือเรื่องปัจจัยสีและส่วนที่สำคัญในชีวิตของการอยู่ร่วมกันก็คือการแบ่งปันลาบที่ว่าเป็นแล้วนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเน้นสำหรับพระเพราะฉะนั้นในพระวินัยจึงมีการวางหลักการและกฎเกณฑ์กติกาต่างๆในการแบ่งปันลาภให้ทั่วถึงและให้เป็นธรรมในพระวินัยนั้นนอกจากเน้นเรื่องวัตถุแล้วก็ว่าด้วยเรื่องสังคมคือระบบในการอยู่ร่วมกันแม้แต่การแบ่งปันลาภนั้น ก็คือเรื่องทางสังคมนั่นเองรวมแล้ววินัยของพระก็คือการจัดตั้งวางระบบในเรื่องวัตถุกับเรื่องสังคมและ ว, วินัยก็มาบรรจบกับธรรมะที่ความสมคีที่เป็นหลักดํารงสังขะและเป็นความสุขของสังคมถ้าจะดูให้รู้เข้าใจพระพุทธศาสนาก็อย่ามองดูแต่ด้านธรรมะที่เด่นด้านนามธรรม พุทธศาสนาไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเรื่องหลักธรรมอย่างเดียวต้องดูให้คลุมด้านวินัยที่ว่าด้วยเรื่องวัตถุและสังคมพร้อมไปด้วยให้ครบตามที่ท่านเรียกไว้ว่าเป็นธรรมวินยัย